วันนี้เป็นวันที่สองมกราคม2550ัรเมื่อวานเป็นวันปีใหม่ปีใหม่สากลโลกเขานับว่าเป็นวันปีใหม่เพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านที่มาถึงวันนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญทำไมจึงว่าอย่างนั้น พอชีวิตของเรามาถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญผู้ที่ท่านร่วงรับดับขันไปก่อนหน้านี้ก็มีตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงวันนี้ก็ควรจะอัตตสัมมาปณิธิควรจะตั้งตนไว้ชอบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ต่อไปภายภาคหน้าสถานการณ์คืออะไรความแก่คือสถานการณ์หนึ่งความเจ็บคือสถานการณ์หนึ่งความจะ ต้องในพัดพรากจากกันอันนั้นคือสถานการณ์หนึ่งเพราะนั้นเราให้เตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะมาถึงเราในอนาคตการเตรียมรับสถานการณ์นั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าพิจารณาล่วงหน้าหรือพิจารณาตัวเองให้รอบคอบไว้ก่อนนะอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าท่านให้เตรียมให้พวกเราเตรียมพร้อมปีที่ผ่านมา 2,549 ดีก็ดีมาแล้วเรวกว็เร็วมาแล้วแก้ไขไม่ได้เป็นบทเรียนของเราที่จะปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าเราแก้ไขไม่ได้แล้วมันเป็นอดีตมีแต่ว่าให้เป็นบทเรียนว่า ปี2อ4 9นั้นพวกเราได้ทำอะไรไปบ้างในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำมีอะไรบ้างปี2549อันนั้นเราก็นั่งทบทวนดูไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทุกทุกท่านเมื่อเราทบทวนดูแล้วว่าปี2549นั้นสิ่งไหน ไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำปี2550นี่เราก็จะไม่นำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือว่าซ้ำสองเข้ามาอีกแต่ถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าเราพิจารณาดูแล้วเออปี2549เราเราทำคุณงามความดีเหมาะสมดีแล้วเราก็นำสิ่งที่ การคิดการพูดการกระทำของเรานั้นพยายามทำให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถึงท่านพิพากษาหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับศีลห้าให้ท่านฟังและท่านก็คงจะไม่เคยได้ยินว่าศีลห้านี่มีคุณค่ายอย่างไร พอหลวงพ่ออธิบายจบแล้วท่านบอกเออทำไมพระสงฆ์ในเมืองไทยทําไมไม่อธิบายเรื่องศีลห้าให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้หลวงพอ่อท่านก็คงจะเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนญาติโยมคงจะเข้าใจกันแล้วท่านจึงไม่ได้อธิบายเพราท่านมีญาติโยมอราธนาศีลท่านก็ยกตรบัดขึ้นมาแล้วก็ให้ศีลไปเลย ท่านคงจะรู้แล้วมีหข้อท่านเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มุสาไม่สุราไม่ดื่มสุราก็เพียงหข้อจำไม่ได้เหรอท่านก็คงจะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ถ้าว่าจะอธิบายให้แยบคายแล้รายละเอียดลงอย่างลึกลงไปนั้นท่านก็ไม่ได้อธิบายเพราะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายในรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศิน ห้าข้อนั้นพระพุทธเจ้าเห็นยังไงมองเห็นยังไงเห็นโทษเห็นคุณอย่างไรท่านจึงบัญญัติศินให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนสังคมและต่อโลกโกฎหมายก็ดีกฎและเบียบก็ดีที่เราศึกษานั้นตั้งกฎกันมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้พวกเราอยู่ด้วยกันสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ให้รู้จักเขาให้รู้จักเราให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบด้วยความผาสุก ข, ของชุมชนแต่ถา้าพวกเราทำผิดปีนกดระเบียบปีนเกลียวเหมนนเถอะที่ทำไม่ถูกต้องกระทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันลำบากอย่างโลกสมัยไหนที่ถ้าว่าปีนเกลียวกันไม่ลงรอยกัน โลกโยกนั้นสมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะหาความสงบลมเย็นเป็นสุขไม่ได้เป็นทุกทุกหัวและแห่งกเหมือนกนอย่างศินห้านี่เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติถ้าเราพิจารณาแบบผิวเผินเราก็ว่าคนทําไม่ได้หรอกจะบัญญัติไยังไงพระพุทธเจ้าบัญญัติขนาดบัญญัติให้ชาวพุทธชาวพุทธก็ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันอยู่แล้วจะบัญญัติทําไม ทีนี่ก็พวกเราทั้งหลายก็หัวระะเราะเยาะเอยยอยันถากถางบัญญัติห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติแบบอคนไม่มีความคิดลักษณะอย่างนั้นน่ะแห่งคนไม่มีความคิดบัญญัติแล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติตาม เ, าเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาวัดวาศาสานาเลยมาหลบหลบซ่อนๆเพราะว่าคนทางข้างนอกเขาเห็นว่า ผู้ที่เขามาวัดเนี่ยเป็นคนคือคนล้าสมัยเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเพราะว่าไม่ทันสมัยเหมือนเขาไอเขาในทันสมัยกว่าไอพวกนี้เนี่ยจะเอาพวกนี้มาบริหารปกครองบ้านเมืองชุมชนสังคมแล้วมันไม่ทันเขาหรอกเพวกไดโนเสาร์เนี่ยอันนี้คือคนยุคสมัยนี้โดยมากถึงจะไม่พูดออกปากออกมาแต่รับอากับกิริยาที่มองมองเห็นแล้ว จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงในพูดให้ท่านพิพากษาฟังว่าเนี่ยคนโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเรามาวิเคราะห์ดูให้ดีศินห้าของพระพุทธเจา้าเนี่ยอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเพราะว่าสัตว์รวมทั้งมนุษย์ด้วยสัตว์ทุกประเภทด้วยชีวิตเขาชีวิตเราถ้าว่าเราไม่ชอบศินห้า ถามเขาได้สิว่าพวกเราไม่ชอบสินหา้าพวกท่านไม่ชอบสินหา้าใช่ไหมว่าไดโนโ่เสาใช่ไหมถ้าเขาพูดตามความเป็นจริงเขาก็ว่าใช่เมื่อเขามองเห็นว่าเป็นของคือของล้าสมัยเขาก็ต้องว่าไม่ชอบในเมื่อถามว่าในเมื่อคุณไม่ชอบสินหา้าคุณชอบคนที่ไม่มีสินหา้าใช่ไม้มเขาก็คงว่าเขาก็คงจะตอบในใจว่าใช่เพราะข้าไม่มีสินหา้าก็เห็นมีอะไร ถ้าคนไม่มีศีลห้านี่สามารถที่จะทําความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของคุณเป็นไปได้ไหมเขาคงจะตอบว่าใช่คนไม่มีศีลห้าก็ต้องฆ่าได้แล้วคุณชอบไหมอันนี้เขาคงจะปฏิเสธสายหัวสุดๆตรงั้นเถอะถ้ามีคอยาวทอะไรเขาก็จะแกว้งทั้งหมดตรงนั้นเถอะไม่ชอบอย่างมากที่จะมาให้มากฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาร่างอาญาของเราเนเราไม่ชอบจริงๆ เราไม่ชอบอย่างมากในเมื่อเราไม่ชอบเหตุเราทำไมเราก็ต้องชอบผลอย่างนี้ผลกับเหตุมันออกมาจากนั่นนะ่ะถ้าว่าคนฆ่าสัตว์คนชอบฆ่าสัตว์คนไม่มีสินห้ามันก็ต้องฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพืิผิดในการมุสาสุรามันก็ต้องไปในรูปแบบนั้นแต่ถ้าว่าคนมีสินห้าแล้วมันจะต้องงดไม่ฆ่าสัตว์เพราะนั้น สินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราแล้วให้เห็นชัดเจนแล้วสินของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งมีคุณค่าเพราะชีวิตเขาชีวิตเราเราก็รักคนอื่นเขาก็รักเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินข้อที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามาพิจนารณานแล้วมีคุณค่านะอธินาทานก็เหมือนกันของคุณอยากจะให้เขาขโมยใช่ไหม อรถ ล, ลาหมาวิ่งช้างหมาวัวควายของคุณอยากจะให้คนขโมยใช่ไหมรองทงรองเท้าไปที่ไหนอยากจะให้คนขโมยใช่ไหมคงไม่ใช่ถ้าคนไม่มีศีลขโมยได้ใช่ไหมใช่ถ้าคนมีศีลแล้วขโมยได้ไม่ได้คนที่มีศีลแล้วไปที่ไหนต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเอของเราเราก็รักส ง, งวนหวงแหนคนอื่นเขาก็คงรักส ง, งวนหวงแหนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะขโมยของคนอื่นเขาเบียดบังของคนอื่นเขาน คนมีศินเขาต้องคิดอย่างนั้นกาเมสุมิชฉาจานก็เหมือนกันคนไม่มีสินสามารถที่จะละลาบละลวงสามีพัญญาของคนอื่นได้ใช่ไหมใช้ได้แต่คนมีศินล่ะทำได้ไม่ได้ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาเราก็รักสามีพัญญาลูกหลานของเราคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเคารพสิทธิ์กันมุสาก็เหมือนกันคนที่ไม่มีศินโกหกได้ เราชอบไหมเขามาโกหกเราไม่ชอบแต่เราไปโกหกเขาเขาชอบใช่ไหมเขาก็คงไม่ชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลของพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมไม่ให้โกหกกันแอนโราก็เหมือนกันที่มันยุ่งยากในประเทศไทยทุกวัน้ตั้งด่านมันลูกกี่ด่านเพราะเหตุใดเพราะคนดื่มโซราทางงดดื่มสซราดีไหมในงานเทศกาลสงการปีใหม่อย่างนี้ถ้าถามว่าพวกเราดื่มโซราเข้าไปแล้วเป็นยังไง ขับรถชนคู่ชนคนล้มหายตายเกินมากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะพิษของสุราเพราะนั้นถ้าเรางดดีไหมสุราถ้าว่าตัวเองนึกบอกว่าไม่ดีแต่คนอื่นขับรถมาชนเราดีไหมไม่ดีแต่ตัวเองกินเหล้าเข้าไปเราไปชนคนอื่นละ่ะเออโดยมากผู้ที่พูดอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพูดอย่างนั้นได้ มนุษย์คนนั้นเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีศินชอบรังแกคนอื่นแต่อยากจะให้คนอื่นมีสินอยากจะให้คนอื่นในโลกนี้มีศินหมดตัวเองไม่อยากจะมีสินโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้สังเกตดูนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นแนวความคิดให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้คิดเพราะวันปีนี้เป็นปีใหม่พวกเราจะตั้งตนได้ได้ชอบเพราะงัเดี๋ตั้งตนให้เป็นหลักให้เป็นหลักยืนได้ถ้าพวกเราได้ คิดได้ทบทวนได้พิจารณาดยรศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราคิดได้อย่างนั้นแล้วลงพ่อว่านั่นนะโลกทั้งโลกจะอารมณ์เย็นเป็นสุขทีนี้เขาท่านก็ได้แยบขึ้นมาว่ายุคสมัยนี้โดยมากพระสงฆ์ในสื่อต่างๆข่าวต่างๆออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์หือวข่าวต่างๆไม่เป็นที่พึงปรารถนาของชุมชนสังคม อันนี้ก็ทําให้คนล่อยหล่อรังเกียจเดียดสันพระสงฆ์อยู่ในาศาสนาไม่น่าจะประพฤติตัวอย่างนั้น อ, อันนี้คนสังคมโดยมากเขาประนามหลวงพ่อก็เลยพูดแชงขึ้นมาว่าตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็อยู่ในวงการสงฆ์วงการพระแต่ตามไม่จริงก็น่าตําหนิอย่างมาก ที่พระสงฆ์ประพฤติตัวอย่างนั้นแต่ตามที่จริงชุมชนสังคมของเราถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์กับกลุ่มพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ไม่มีศาสตราอาวุธหรือไม่มีวาทะที่จะไปโต้ตอบในสื่อต่างๆ ต, ต่อต้านในสื่อต่างๆมีแต่ว่าเมื่อเขาตาหนิติเียนมาแล้วก็เงียบเพราะเหตุไรถ้าจะออกไปโพดออกไปกระเด้งกระดอนออกไปก็มีแต่เปืองตัวเท่านั้น พระนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้เงียบไอ้ผู้ที่พวกลุกลุกเข้ามาเรื่อยๆทีนี่ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ใช่มันก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละเรื่องไม่ดีแต่ตามไม่จริงการที่ไม่ดีของพระสงฆ์นั้นพวกเราได้สืบหาตนต่อดูหรือเปล่าว่าพระองค์เนี้สมัยเป็นครวาญนะเป็นนักเลงหัวไม้เป็นขี้คุกมาก่อนหรือเป็นคนเกเรมาก่อนอย่างไรใช่ไหมหรืออย่างไรเป็นคนดีมาก่อนใช่ไหม เป็นนิพูนิสัยเป็นที่ยอมรับของครอบครัวของเขาชุมชนของเขาและเขามาบวชพอเขามาบวชในพุทธศาสนาแล้วมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วทําให้เขาเป็นคนชั่วช้าลามกอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเขาเป็นคนเกเรมาก่อนสังคมไม่ยอมรับเขาแล้วเขาเข้ามาบวชแล้วพอเข้ามาบวชแล้วทําตัวไม่ดีทําให้เสื่อมเสียวงการสง อย่างนั้นใช่ไหมพวกเราได้สืบสอบดูไหมที่พวกเราชุมชนประนามอยู่เดี่ยวเนี้อันนี้เราได้คิดดูหรือเปล่าแต่ตามไม่จริงถ้าให้เป็นธรรมกับสงแล้วพวกเราควรจะสืบสอบดูว่าเป็นยังไงถ้าหาว่าสืบสอบดูแล้วคนนั้นเป็นคนดีนิสัยดีมาแต่ดั้งเดิมแล้วเข้ามาบวชได้เสียหายอันนั้นควรจะประนามพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์บอกว่าทําไมเอาคนดีๆเข้ามาแล้วทําให้เสียหายหน้าประนามอย่างยิ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอันนี้น่าประนามพระสงฆ์แต่ถ้าว่าสืบสอบดูแล้วเป็นคนเหลือขอพอแรงแล้วเอาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเราจะประนามใครควรจะประนามโคดแซ่นามสกุล น, นั้นแ่ะทําไมเอาคนชั่วเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทำไมไม่ตรวจตราดูให้ดีเสก่อนอ่า พวกเราควรจะคิดอย่างนั้นถึงจะไม่ประนามก็ควรจะวางตัววางใจเฉยๆโอ้คนทําไมจึงชั่วขนาดนั้นทําไมจึงทําตัวอย่างนั้นทั้งที่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะบูชาแต่ทําไมจึงเข้ามาอย่างนี้เออคนคนนี้น่าตําหนิไม่ควรจะทําอันนี้ก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์หลวงพ่อว่านะและอีกอย่างหนึ่งก็น่าคิดอีกเหมือนกันหลวงพ่อจะให้ แนวความคิดสําหรับพวกเราพุทธบริษัทว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นมาอย่างไรตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทรา athi พ่อคุณรามกําแหงหลักศรีลาจารึกเขาก็อ่านให้ฟังว่าพ่อคุณลามกําแหงกับพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรอยู่ในหลักศรีลาจารึกนั้นอันนั้นแสดงว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราดิเป็นมาตั้งแต่นมนานโบราณ น, นาการทีเดียวจนถึงมาถึงกรุงศรีอยุธยา กนานกี่ปีกุงรัตนโกสินก็สองร้อกว่าปีกณิทีพระสงฆ์ก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่เชิดชูบูชาเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่น่ากราบไหว้ประชาชนทั้งหลายได้ยกมือไหว้กราบไหว้ทําบุญทําทานในพระพุทธศาสนาแต่พอมาถึงยุคนี้ขนาดพระสงฆ์เองเป็นผู้สอนธรรมะสอนคนให้ละกิเลสราคาโทสะโมหะ โลบโกรดหลงยังวันไหวไกวแข่งถึงขนาดนี้เหมือนกับลูกตุ่มเหมือนกัมือะพระสงฆ์วงการสงฆ์วันไหวไกวแข่งแล้ววงการอื่นละ่ะพวกเราให้ได้สังเกตดูไหมวงการตำรวจวงการทหารวงการพิพากษาอายการวงการพ่อค้าประชาชนวงการครูบาอาจารย์วงการฝ่ายปกครองพวกเราได้อย่างลึกเข้าไปแม้ว่าเป็นยังไงนิ่งเลยเหรอดีทั้งหมดเหรอไม่หวันไหวไกวยแข่งเหรอ พวกนี้พวกเราได้คิดบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเราให้คิดดูทุกวงการในเมื่อเราเห็นประมวลออกมาแล้วพวกเราทุกคนควรจะหันหน้าเข้าหากันว่าเราพวกเราจะทำชุมชนพวกเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อวสินห้านี่นะถ้าทุกคนมีศินห้าแล้วประเทศชาติบ้านเมืองทั้งโลกโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุข ข้อสินของพระพุทธเจ้าเป็นผู้คุมของถ้าใครก็ตามถ้าออกนอกลู่จากศินห้าหรือสินธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปหวังเลยออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นถ้าว่าใครก็ตามถ้าจำนึกอยู่ในใจว่าเราขาดตกบกพ่องอะไรบ้างในการฆ่าสัตว์ในการขโมยทรัพย์ในการประพฤติผิดในการมในการกล่าวมุสาในการดื่มสุราเราขาดตัวไหนบ้างมาก ตัวมุสาไม่ใช่ตัวเล่นๆเหมือนกันนะพราะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตั้ง2 0 0พันกว่าปีแล้วบอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพวกเราวิเคราะห์ดูสิคำพูดนี้จริงไหมหลวงพ่อว่าจริงจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะคนที่ทําความชั่วแล้วโกหกตอแหลนอยู่ในตัวของเขาพร้อมมูลเลย เพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อเขารู้ทั้งที่เขาพูดโกหกเขาก็กดโกหกออกมาต่อหน้าต่อตาได้ทําความชั่วยอย่างอื่นเขาทําได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดสําหรับปีใหม่ปีใหม่ปี2550ันหาอยหาไปคิดนาไปพิจารณาดูอย่างน้อยก็เป็นเกล็ดความคิดอันหนึ่งที่พวกเรา บางท่านอาจจะไม่ไไเคยได้ยินได้ฟังแต่บางท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็คงจะมีแต่บางท่านเพิ่งได้ยินได้ฟ oh, really mm ังมาก็คงจะว่าโอ้หลวงพ่อนี่พูดเผ็ดร้อนเกินไปอพูดเผ็ดร้อนเกินไปแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถูกนะอหลวงพ่อรับรองในความพูดของหลวงพ่อเองเนาะหลวงพ่อคิดว่าคิดเมื่อไหร่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถูกคิดถูกว่างั้นน่ยที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดออกมาให้ชุมชนสังคมศรัทธาญาติโยม แต่รับรู้รับทราบนะถ้าพร้อมกันก็ปี 2,550 เนี่ยให้พวกเราประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่ล้มจะหายล้มหายตายจากอย่างไรวันนี้พวกเราเห็นกันต่อไปวันข้างหน้าไม่รู้จะใครจะไปไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้น ถ้าหวังเตรียมพร้อมไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตรงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วตายแล้วไม่สูญแหมหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกย้ําแล้วย้ําอีกในเรื่องนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าถ้าคนว่าตายแล้วสูญจะไม่ทําความดีจะไม่สั่งสมขุนงามความดีจะปล่อยปาะละเลยแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วเกิดพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมไว้ว่า เมื่อตายจักชาตินี้แล้วชาติต่อไปเราจะได้เกิดขึ้นมาอีกเราจะได้เป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติเพราะอ น, นิสง์ทานศีลภาวนาของพวกเราแต่ถาาว่าพวกเราว่าเกี่ยวตายแล้วศูนย์ปล่อยปัจลัยเลยไม่สนใจในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้เถอะนะพวกเราจะมีแต่ความสุขความเย็นใจนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรพร้อมคณะสงฆ์ บททีส่วนกุศล น, น้าหลวงพ่อพูดยาววันนี้เพราะมันวันปีใหม่เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกทุกท่าน